หอันหนึ่งเราไปเห็นเปลี่อนดับผู้สิงหันอีกอันหนึ่งการปฏิบัติสุดปทานนั้นจะนั่งเพื่อจิตสมาธิติตเพื่อสมาธิจิตเพื่อปัญญาจะมีเพื่อสมาธิก็คือรู้จักหน้าตาของสิ่งนั้นที่เพื่อจะจิตเพื่อปัญญาก็รู้จักเปลี่ยนดับ ไม่ร้จักเกิบดับดังนี้แล้วสัญญาณก็ไม่เกิดเกไม่ผัดไม่รู้จะปลกอะไรในสงทีปลุกมันเกิดดับหมดต่อเมื่อไม่เห็นเกิดับก็ม่ตั้งอยู่นั่นแหละจึงจะปลุกปลกในสิ่งที่ตังอยู่นั่นยินดีบางยินร้ายบางไปต่างๆดังนี้มันป็นติปัาน ตอนเมื่อเห็นเกิดหนักแล้วผิดไม่ถูกไม่เกิดจนโยอดสิ้นจริงๆเป็นปฏิปทานต้องหัดให้เป็นปิปฐานดังนี้ตั้งแต่ข้อกายมาทุกข้อแล้วก็กำหนดให้ได้ในปัจจุบันดังที่แสดงในข้ออานุปันนี้นดังท่กล่ามา จึงจะเป็นปฏิปธานต่อไปนี้ขอให้ตั้งใจกับความสงบับความโสดสุตต่อไปหมัดนี้จกัแกแสดงเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมสุตในเบื้องต้นเพื่อตั้งใจ นอกน้อมนมัสการพระภูมีพระภาคถ้าลราหันจะสมมาทัพพิตรเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้กระทาและประสงค์เป็นเจระิะตั้งใจสัมโงกายวาจาใจให้เป็นศีล ทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะสแสดงสมปติฐานสี่อันเป็นหมวดที่สองแห่งโพธิปักทีธรรมอยางที่กฎประการ ธรรมะที่เป็นปักไวแห่งความรตรัสรู้คือพระพุทธเจ้าได้ตัดตแสดงไว้ อันประกอบด้วยธรรมะหลายหมวดเริ่มต้นโดยหมวดสี่ปัจฐานทั้งสี่มีได้แสดงมาโดยลำดับโดยสังเกต จะประปทานทั้งสี่นี้เป็นหมวดหลักแห่งการปฏิบัติอดลมจิตใจที่ป็นไปได้ทั้ง ทางสมาธิและทางปัญญาการประกอบด้วยกายานุปัฏนานตติปัฏฐานตั้งสติตา ม, ตตามดูกายพิจารณากาย ต้นกักจำแนกว้ในมหาสติปัฏฐานเริ่มตั้งแต่หมดกาหนดลมหายใจเข้าออกเรียก ว, ว่าอานาปานสติ กำหนดดูอิริยาบททั้งสอันเรียกว่ามูลอิริยาบทสร้างสติกหนดุดูอิริยาบทที่จมแนกอนนนอก ให้ระเกออกไปอีกท่านเรียกว่าสัไปชัญญาตบพระหมดสมชัญญาวามรู้ตัวตักงะติกํหนดดูกายว่าเป็นของไม่สะอาด ตั้งสถิกำหนดดูธาตจนแยกออกไปเป็นธาตสี่ตามกำหนดดูกว่าธาทั้งเก้าต่อจากนั้น ก็จะสอนให้ตั้งสติกำหนดดูเวทนาตกทุกข์เป็นกลางกลางไม่ทุกข์ไมุ่กท่างที่มีอามิตรคืออินกิเลสอินวัตสุเป็นเครื่องนำ ให้เกิดทั้งจิ่เป็นมิรามิตรคือไม่มีทั้งทิ่เลสและทั้งวัตถุเป็นเครื่องนำให้เกิดต่อจากนั้นก็ตจต่ อ, อนใร้ตั้งสติกำหนดดูจิที่มีราคะหรือปฏิจจาราคะ มีโทสะนี่ปฏิจจ์โทสะมีะโมหะนี่ปฏิจจ์โมหะมีสปุสิ้สังก์อือจเป็ปนสมาธิ ก ว, าวา้างกว้างหรือที่ไม่กว้างขวางหรือที่ยังมีจิตอื่นยิ่งขึ้นดีกว่าหรือที่ไม่มีจิตอื่นยิ่งขึ้นดีกว่า มีสมาธิหรือไม่มีสมาธิจุดที่มุดหลุดพ้นหรือไม่มีมุดหลุดพ้นต่อจะนั้นก็จะสอนให้สร้างะดีกำรวจดูทำมะคือร่วมไว้ก็ดสร้างตนตำรวจมีวันทั้งห้า ให้กาหนดรู้ให้รู้เรามีอยู่ก็รู้มีอยู่ไม่มีก็รู้ไม่มีเกิดขึ้นโดยประการใดก็ให้รู้ประการนั้นดับไปด้วยประการใดก็ให้รู้ประการนั้น ดับละไปได้ไม่เกิดขึ้นอีกประกันใดก็รู้ประกันนั้นตัดสอนให้กำหนดดูขันห้าว่าแต่ละข้อเกิดขึ้นอย่างนี้ ดับไปอย่างนี้กลักษอน์ให้กาหนดดูหาเจอนะภายในภายนอกภายนอกทั้งหกภูกภูกักกนกลักษรณ์ให้กำหนดดูสัมโยชน์ภูกความที่ใจคู่ ยินดียินร้ายอยู่ในอารมณ์เรื่องรูปเรื่องเสียงเรื่องเสดเรื่องรถเรื่องพุทธะเรื่องใจคิดใจรู้ในเมื่ออาจจะณภายในภายนอกนี้ปโะส์กัน และให้รู้ว่าสัญญ์มีก็ให้รู้ว่ามีไม่มีก็ให้รู้ว่าไม่มีสัญญจะเกิดขึ้นดูประการใดให้รู้ประการนั้นละได้ดับไป้วยประการใดให้รู้ประการนั้นละหรือดับไป ได้แล้วไม่เกิดขึ้นอีกด้วยกับการได้ขอให้รูปกับการนั้นได้กั น, ก น, น, น, ดนแดงปบุปษฐานทั้งสุมาทังหมดหลังนี้กึ่ง ก็จะมีประชานยังมีอีกสองหมวดเป็นหมวดโคตรชงและหมวดมัชย์ในอง8แปดแว่าสองหมวดนี้ได้เริ่อมอยู่ในโคตรชงสามสิบเก็ประการนี้แล้วเป็นหมวดสุดท้ายและรองสุดท้าย เพราะว่าในตัวที่ปรึกิธรรมทั้งสงเจ็ดประการนี้พระพุทธเจ้าได้ปรึกิเริมาหมวดธรรมต่างๆที่ได้สัสดสไว้มารวมเข้าเป็นหมวดใหญ่ ก็มาเป็นโทษที่ปักที่จระทำธรรมะที่เป็นตกปล่ยแห่งความกระสรุก็คือสติ ป, ปัญสีส ม, ม า, าปัญสีอิทิบทัตสีกนินสีห้าพละห้าพื่อเถืงเจ็ดมัทในองแปดเป็นเทดหมด กิตรงไปเป็นหมวดที่มกมักมนองคศาเป็นหมวดที่สุดอันเป็นหมวดทุกท้ายวันฉะนั้นเมื่อใอธิมายสิ่ประทานสู่ตามหลักมหาสิาษาษา่ประทานมาถึงหมวด มาเจตนาแล้วจึลงเล่นพคตรมและมกไว้ต่อเป็นหมวดที่6ทททกที่เจ็ดของโปรติบัตีธรรมอุนสเงหมดขที่สองของโปรติบักิธรรมคือสมาบัระทานทั้งส กรรมปัะธานแปลกันเพื่อเข้าใจง่ายว่าความเพียงชอบ่งมีสี่ประการคือหนึ่งสัรมวลปัะธาน เย็นระวังบาปอากุศลไม่ให้เกิดขึ้นสองทหารนัประทานเย็นละบาปของกุศลที่เกิดขึ้นแล้วสามภาวนาประธานเยนทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น กู อ, อนุรักษ์คนาประธานเพียอรักษากุศลที่เกิดขึ้นแล้วมาให้เ่นินแต่ให้เจริญบริบูรณ์นารคำนวบประธานนะแปกไงไงรกันไง่ายๆเข้าใจง่ายๆว่าเพื่อนสำมัตคืสัมมาก็าแปลว่าชอบ คำประทาน น, ทานี่นก็แปดตามกลับว่าตรงไว้ข้างหน้าถูกตั้งไว้ข้างหน้า ันหมายความว่าเป็นความเพียรที่ควรกระทำก่อนไม่เวรกระทำในภายหลัง การมาประธานนี้ก็มาใท้หมายถึงสิ่งที่เป็นประธานเป็นพระพุทธรูปซึ่งตั้งอยู่เป็นหลักสําคัญในอุเบกข์หรือในเบิด โรยเวเจราประทานบริเวณเจ้าเมื่อประทับอยู่ในมูลสงบริเวณองคประทับอยู่เป็นปนระทานแห่งสงบุคคลที่นั่งอยู่ข้างหน้าเป็นประทานของการไปถึงเรยเวาประทานที่ไปถึง ก็โรงตามจับว่าดำรงอยู่ข้างหน้าหรือสร้างไว้ข้างหน้าและความเพียรที่มาเรียกว่าประทานนี้จะมีความหมายว่าเป็นความเพียรที่ถึงสร้างขึ้นไว้เรื่น้า ก็จะทำก่อนตพอว่าทุกคนนั้นยังมีสิ่งที่พึงทำหลายอย่างทูกที่มีธุระมากก็ต้องมีความเพียรที่จะต้องกระทำมาก แต่ในบรรดาธุระเรืองการทำนั่นก็ท้ามเรื่องใดเป็นที่หนึ่งเรื่องใดเป็นที่สองเรื่องใดเป็นที่สามหรือว่าในเวลาใดในเวลาหนึ่ง ก็เพิ่งทำเรื่องใดในเวลานั้นแเนมื่อได้กำหนดไว้ดังนี้ข้ากำหนดไว้ว่าเป็นเรื่องที่พึ่งทำที่หนึ่งที่สองเรื่องที่พึ่งทำเป็นที่หนึ่งก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เป็นประทานความเพียรที่ จะทําในเรื่องนั้นก็เรียกว่าประทานหรือว่ า, ากําหนดเวลาวันในเวลาใดจะทําเรื่องไใดในเวลานั้นก็ทําเรื่องนั้นเรื่องนั้นก็เป็นประทานของเรื่องทั้งหลายในเวลานั้นที่จะต้องทําในเวลานั้นในความเพียรที่ ทำตัวีดกว่าประธานอย่างเช่นในเวลานี้เป็นเวลาที่ท่านคือมุ่งปฏิบัติธรรมกำหนดไว้ว่าจะมาฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมในเวลานี้เรื่องการปฏิบัติธรรม เรื่องการฟังคำปฏิบัติธรรมเป็นเป็นประทานเรื่องอุ่หภูมิไว้ก่อนแต่วามเพียงที่ฟัทคำก็นี่กว่าเป็นประธานและในการปฏิบัติในปฏิปธานนี้ ก็ต้องอาศัยความเพียรปฏิบัติเป็นประธานในการปฏิบัติปฏิปทาเพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้า ไ, ได้าระกัศเอาไว้ว่าอาตาตู มีความเพียรสำมัชาโนมีความรู้กรอบคือมีสัมปัจัะญาติความรู้ตัวจะติมามีสถุนิยในยโลกกโเลอ ก, อกอภิชาโดมลจังกำจัดอภิชาความยินดี ควมละความยิได้ในโลกเสืยอันเป็นอุปการธรรมในการปฏิบัติสติปัฏฐานนี้ก็คือมีสมปทานนะความเพียรชอบนั่นเอง จอมแม่ก็เป็นต่วหลังที่ในจอมแม่เรื่องขั้นต้นเรื่อการตั้งสติกำหนดกายเวรนธนาเหตุธรรมหลังที่ในกล่าวมาแล้วตรหนั้ ในข้อที่เป็นกายเองและเป็นเวทนาเองก็รวมอยู่ในขันห้ากายก็เท่ากับรวยเวทนาก็เป็นเวทนา อันบุคคลที่เกิดมาตัวมีขันห้าอตั้งตนในรูปเวทนานี้เป็นพบเป็นขาดเป็นที่ยึดถือว่าเป็นตัวเราของเรา ตัวเดยเวทนาเองนั่นเป็นอภพยากัตรธรรมธรรมะที่เป็นก ล, งกลางไม่พยากรคือไม่กล่าวว่าเป็นดีก็เป็นชั่ว ธรรมะที่เป็นกลา ง, ลางที่ทุกคนผู้ไดมาตั้งแต่กำเนิดบนมีบากขันคือเป็นขันที่บนมีบากคือผลของ วิชาตันหาอุปาทตังกับฉะนั้นตัวกายตัวเวทนาเองจึงไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญไม่เป็นกุศลไม่เป็นอกุศลแต่เป็นสิ่งกลางกลาง และมาถึงจิตจุดนี้เองคือเป็นตัววิญญาณธาตุรู้ก็เป็นธาตุอันหนึง่งซึ่งมีอยู่ เป็นสิ่งที่อาศัยอยู่กับกายนี้อย่างที่เรียกว่ากายจิตและจิตนี้เองที่เป็นที่มันเกิดขึ้น เป็นที่เก็บไว้แห่งกุศลธรรมและอังกุศลธรรมทั้งหลายแห่งบุญบาบฏทั้งหลายแห่งบารมีและอาสวะทั้งหลาย ถ้าเก็บดีก็เป็นบารมีเก็บชั่วก็เป็นอาศาวะนั่นสิ่งที่เก็บไปนี้ที่เป็นส่วนละเอียดก็เก็บไว้ในกิจส่วนลึกเหมือนอย่างตะ ก, กอนที่นอ้นอยเยก้นตุก ปากตมน้ำข้างบนก็ใสสะอาดแต่ที่ก้นตรมนั้นยังมีตะกอน